นำไปวางไว้หน้าบ้านผู้มั่งมีสีสุขที่รู้กันว่าเป็นผู้มีเมตตาแล้วเด็กนั้นก็ได้เป็นสุขอยู่ในความโอบอุ้มของมือแห่งบุญควรแก่บุญที่เขาได้กระทําไว้แต่เด็กบางคนเกิดในที่ต่าต้อยยากไร้และเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำบุญทำกุศลมาในอดีตชาติเพียงพอย่อมไม่มีมือแห่งบุญมาโอบอุ้มเขาให้พ้นความลาบากยากจนแม้เมื่อมารดาบิดาจะพยายามเสี่ยง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 และผู้เป็นมารดาก็อาจถูกจับได้รับโทษทางอาญานั่นก็เป็นเรื่องอำนาจอันยิ่งใหญ่นักของกรรมอย่างแท้จริงอดีตชาติของทุกคนมีมากมายนักจึงได้ทำกรรมไว้มากมายนักกุศลกรรมบ้างอากุศลกรรมบ้างชีวิตในปัจจุบันจึงมีดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างคนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐี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 ส่งผลไม่ดีของอากุศลกรรมให้เกิดแทนความมั่งมีก็จะกลับเป็นความไม่มีเงินทองของมีค่าก็จะสูญหายหมดไปอากุศลกรรมแรงมากก็จะสามารถทำให้มหาเศรษฐีสิ้นเนื้อประดาตัวได้กําลังเป็นสุขก็จะกลับเป็นทุกข์เดือดร้อนอำนาจของกรรมเป็นเช่นนี้จริงผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่นกลัว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 จนขาดสติสัมปชัญญะเป็นต้นผลของกรรมไม่ดีเช่นนี้แม้จะติดตามทุกคนผู้ทำเหตุแห่งกรรมไม่ดีนั้นอยู่แต่ก็อาจไม่สามารถตามทันถ้าแม้ผู้นั้นจะพยายามวิ่งหนีอยู่จนเต็มสติปัญญาความสามารถ